วันนี้เป็นวันพระรหัสเสบดดที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันเติมกำลังใจให้แก่จิตใจ เพิ่มกำลังให้กับจิตใจด้วยการเติมธรรมะเข้าสู่ใจเพราะใจก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องเครื่องขับเคลื่อนและนอกจากน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วยังต้องมีน้าชนิดอื่นด้วยเช่นมีน้าไว้สาหรับระบายความร้อน มีน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานของรถยนต์ที่จะพาผู้โดยสารให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างโดยสวัสดิภาพฉันใดจิตใจของพวกเราที่เป็นผู้เดินทาง ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสู่บ้านที่แท้จริงของพวกเราบ้านที่แท้จริงของพวกเราก็คือนิพพานเป็นบ้านที่จะทำให้เราไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนอีกต่อไปเป็นบ้านที่ยั่งยืนถาวรที่เราจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายปราศจากความทุกข์ต่างๆ การที่เราจะไปถึงบ้านของเราได้เราจำเป็นที่จะต้องมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของพวกเราได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องคอย เติมน้ำมันของใจอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นอย่างน้อยก็ทุกวันพระ<ม>เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้สาธุชนพุทธบริษัตวผู้ปรารถนานิพพาน<ม>ให้ได้หยุดวางภารกิจการงานทางร่างกายทางเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แล้วเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติทมที่จะนำไปสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็จาเป็นที่จะต้องคอยเติมน้ำมันของใจอยู่เรื่อยๆใจถึงจะสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกอย่าสยงสบาย ไปได้ถึงปุดจุดหมายปลายทางตามที่ปรารถนาได้อย่างแน่นอนน mm ้ำ hmm. มันของใจนี้ก็มีอยู่ห้าส่วนด้วยกันหรือห้าชนิดด้วยกันส่วนที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า และคำสั่งคำสอนของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเมื่อเรามีความเชื่อแล้วมันก็จะทาให้เรามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีน้ำมันชนิดที่สอง ก็คือวิิยะความขยันหมั่นเพียรในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติตามวัรนมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อเรามีวิิยมีความขยันหมั่นเพียรเราก็จะสามารถเติมน้ามันชนิดที่สได้ mm hmm. ก็คือสติ mm hmm. คือการระลึกรู้เมื่อเรามีสติมีการระลึกรู้เราก็จะสามารถ เติมน้ำมันชนิดที่สได้ก็คือสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในความสงบของจิตใจจิตใจที่มีความสงบตั้งมั่นก็จะมีพลังที่จะสามารถเติมน้ำมันชนิดที่ห้าของใจได้นั่นก็คือปัญญาความรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวง ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนี่คือน้ำมันที่จำเป็นต่อการเดินทางของจิตใจที่จะไปสู่พระนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดอย่างสิ้นเชิงต้องมีความพยายาม ที่จะต้องคอยเติมน้ำมันเหล่านี้อยู่เรื่อย เ, อยเช่นวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราควรจะมาเติมน้ำมันให้กับใจกันอีกหกวันที่ผ่านมาเราก็เติมน้ำมันให้กับร่างกายคือเราก็เติมประ จ, จัยสี่หาอาหารมาให้ร่างกายรับประทานหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ไมไว้สวมใส่ หาที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆแล้วก็มียารักษาโรคไว้รักษาพยาบาลเวลาที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของเราจึงอยู่กันมาอย่างน้อมเย็นเป็นสุขเป็นปกติสุขส่วนใจของเรานี้เราก็ต้องหาเวลามาเติมน้ํามันให้กับใจ ถ้าเราไม่เติมน้ำมันให้กับใจใจเราก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะมีแต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจหหงิดนาระอายใจเพราะเราไม่เติมน้ำมันกันเท่านั้นเอง เพราะเราไม่รู้ว่าจิตใจเราก็ต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกับรถยนต์แต่ถ้าเราได้เข้าวัดเข้าวาโดยเฉพาะวันพระได้เข้าฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้เรื่องการเติมน้ำมันของใจให้ใจมีพลังให้มีกำลังที่จะนาพาไปสู่พระนิพพานได้ ความจริงใจของพวกเราตอนนี้ก็มีศรัทธาอยู่บ้างมีวิริยะมีความเพียรอยู่บ้างมีสติการละเลิกรู้อยู่บ้างมีปัญญามีสมาธิอยู่บ้างและมีปัญญาอยู่บ้างเพียงแต่ว่ายังมีไม่มากพอต่อการที่จะนำพาจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ ทำทั้งห้าข้อนี้ของปุถุชนอย่างพวกเรานี้เราเรียกว่าอินสี่ห้าอินสี่ห้าก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปพระนิพพานเราจําเป็นที่จะต้องทําให้อินรี่ห้านี้เป็นภาระห้าขึ้นมาให้ได้ภละห้าก็คือเป็น คุณธรรมของพระอริยบุคคลนั่นเอง NC ห้าเป็นคุณธรรมของปุตุชนแต่พระห้านี้จะเป็นเป็นคุณธรรมของพระบุคคลพระอริย บ, บุคบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือน้ํามันจะต่างกันน้ํามันของปุตุชนนี้มีกําลัง ไม่มากเท่ากับน้ามันของพระอริยบุคคลถ้าเราอยากที่จะไปพระนิพพานเราต้องเพิ่มอินทรีย์น้ามันของปุถุชนนี้ให้กลายเป็นน้ำมันของพระอริยบุคคลโดยการเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นเพิ่มการศึกษาให้มากขึ้นนะท่านแรกการที่เราจะทำให้มีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นนี้ ก็เกิดจากการที่เราต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายพอเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมรู้จักวิธีการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้น ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเป็นต้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้วิธีการาต่างๆเมื่อเราไม่รู้จากวิธีการาต่างๆเราก็จะติดอยู่กับวิธีการเดิมๆของเราเราเคยปฏิบัติเท่าไหร่เราก็จะปฏิบัติเท่านั้นเช่นเราอาจจะทำบุญอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิวันละครั้งสองครั้ง ก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นขึ้นมาในยามเช้า<ม>แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสเช่นวันพระก็ฟังเทศสักครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้ธรรมะไม่มากมเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้ธรรมะในระดับของพระอริยบุคคล น, นี่เราต้องทําให้ คุณทำทั้งห้าประการคือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ให้เต็มร้อยให้ได้ถ้าศรัท ธ, ธาก็ต้องมีศรัท ธ, ธาความเชื่อเต็มร้อยเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าในการกระทรรมของเรานี้ไม่มีอะไรจะเลิศประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียว่ายตายเกิด ถ้าเรามีศรัทธาเชื่อในธรรมเต็มร้อยเราก็จะทุ่มเทเวล า, วลาทุ่มเทกําลังการปฏิบัติของเราให้เต็มร้อยอเช่นอยากคารวะก็จะอาจไปบวชเป็นพระกันหรือเป็นทิศสุนีหรือเป็นแม่ชีกันเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติ อย่างเข้มข้นตามที่พุทธเจ้าและพระอริยสงสากทั้งหลายได้ปฏิบัติมากันอมุทธเจ้าก็สละราชสมบัติออกจากพระราชวางังเพื่อใบบำเพ็ญไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องปฏิบัติแบบเต็มขั้นตอนตลอดเวลา การที่จะปฏิบัติสิ่งที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาก็คือสตินี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้ทงสอนให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยให้ทั้งสติให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะใช้คำบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อน แข่งกับความคิดของกิเลสตัณหาที่จะดึงให้ไปคิดในการแสวงหาความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าถ้าเราไม่ใช้บริกรรมพุทธโธนี้จิตมันจะคิดไปในทางโลกทันทีทางโลกกระทำคิดว่าจะไปหาเงินที่ไหนดีวันนี้คิดว่าจะไปหายศถาตำแหน่งที่ไหนดีคิดว่าจะไปหารางวี่รางวัล ความสรรเสริญยืนยอจากที่ไหนดีคิดว่าจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากที่ไหนดีเหดมันจะคิดไปในทางนี้เพราะมันเคยคิดมาในทางนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานเพราะว่ามัน <Prof> ม <esc ara> ีอวิชชาโมหะเป็นตัวคอยผักดันให้ใจหลงไปกับการแสวงหาโลกธรรมทั้งสี่นี้มาเป็นเวลายาวนานเหตุที่เรา ดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันจนถึงบัดนี้นั้นก็เพราะความหลงนี่ความหลงในลาบยศสารเสริญความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็นึกถึงลาบยศสารเสรินนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาทันทีถ้าเราต้องการจะสะกัดก้านกระแสของกิเลสเพื่อดึงใจให้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเราต้องใช้สติเป็นตัว ตั ว, ต ว, ตวทวนกระแสตอนนี้กระแสจิตของเราถูกกระแสของโมหะอาวิชชาคอยดึงให้ไปในทางโลกของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องทวนกระแสของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาการทวนกระแสก็ทวนความคิดปรุงแต่งของจิตนั่นเอง ถ้าเราไม่ทวนกระแสพอตื่นขึ้นมามันก็จะคิดถึงหารูปเสียงกลิ่นรสก่อนจะกินอะไรดีจะดื่มอะไรดีเป็นต้นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆได้กินได้ดื่มแล้วจะทําอะไรต่อดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปทําอะไรดีมันก็จะมีแต่เรื่องของโลกกระทแต่ถ้าเราเริ่มใช้สติเป็นการย้อนทวนกระแส พอตืนขึ้นมาแทานที่จะปล่อยให้มันไปคิดถึง <c oughs> การหาความสุข <c oughs> จากโลกกรรมทั้งสี่ก็ดึงให้มันเ <c oughs> ข้าหาความสงบแทนหาความสุขที่เกิดจากความสงบแทนตื่นขึ้นมาก็บริการพุโทโธพุโทโธก่อนเลยพอขึ้นนา่งลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิก่อน แทนที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกก็มาหาสมาธิหาความสุขหาความสุขที่เกิดจากความสงบมาเสกแทน น, นนี้คือการเจริญสตินี้เป็นตัวสำคัญในการที่จะตัดกระแสของกิเลสตัณหาไม่ให้มันมาคอยดึงจิตใจให้ไปติดอยู่การวินว่ายตายเกิดในการมาพบ ในรูปภพและในอารูป์ภพนั่นเองต้องใช้สติถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนตามที่พระเจ้าทรงสอนเราก็จต้องถือว่าการเจริญสตินี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของพวกเราในแต่ละวันตื่นมาปั๊บนี้ต้องทำภารกิจนี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะถ้าเราไม่เจริญสติ ใจของเราก็จะถูกกิเลส ช, ชิงไปลากไปให้ไปหาโลกกะระทำนั่นเองแต่ถ้าเรามีสติบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจหรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของางานกายในเรยียบวุตรต่างๆในการกะระทําต่างๆเราก็จะมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจที่จะผูกจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา นั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ทำที่สําคัญที่สุดก็คือการเจริญสติเราต้องฝืนกระแสของของกิเลสตัณหาของโมหะอวิชชาให้ได้อย่าปล่อยให้มันลากจิตใจของเราไปกับมันเพราะมันจะพาให้เราไปสู่กองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองมันไม่ได้พาเราไปไหนหรอก ถ้าเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีร่างกายเราก็ต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะร่างกายแต่ละร่างที่เราได้มามันก็เป็นร่างกายที่ชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีมันก็ต้องแต่ถึงแก่ความตายไปพอร่างกายก็อันเก่าตายไปกระแสะของกิเลสคือกระแสะของความโลภในรากร ส, สริญสุขมันก็ยังมีอยู่ มันก็จะดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ใช้สติเป็นเครื่องตัดกระแสนี้เราจะไม่มีทางที่จะหยุดกระแสของกิเลสได้เลยสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการบาเพ็ญความเพียรในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปสู่สมาธิและปัญญาต่อไปได้เราต้องมีสติเป็นผู้นำก่อนอ เพราะถ้าเรามีสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวของทางโลกได้ให้ใจอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมาฐานจะเป็นพุทโธก็ดีจะเป็นการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดีใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดปรุงแต่งไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ เราไม่มีความหิวความอยากในอารมณ์ต่างๆมันก็จะทำให้เราสามารถนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเราก็จเจริญสติต่อการการนั่งสมาธิก็เป็นเพียงการเปลี่ยนนิรยาบุตรของร่างกายจากการที่เราอาจจะต้องลุกขึ้นมาทำาธุรกิจต่างๆของร่างกายเช่นข้าวห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารในขณะที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ต้องมีสติคอยควบคุมกระแสะของความคิดไม่ให้คิดไปในทางลาบยศสารเสริญสุข<ม>และพอเราเสร็จภารกิจต่างๆพอเรามีเวลาที่จะนั่งสมาธิได้เราก็มานั่งเฉยๆ<ม>เพราะว่าการที่จะทําให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิได้นั้น จำเป็นที่จะต้องให้ร่างกายนิ่งก่อนเพราะถ้าร่างกายไม่นิ่งร่างกายไม่นั่งอยู่เฉยเฉยก็แสดงว่าจิตยังต้องคอยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่นั่นเองจิตนี่แหละเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวเป็นผู้สั่งให้ร่างกายลุกให้ลุกขึ้นมายืนให้ลุกขึ้นมาเดินให้นั่งให้นอนให้ทำอะไรต่างๆถ้ายังมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่ ก็แสดงว่ายังมีการเคลื่อนไหวทางทางจิตใจยอยู่จิตยังทำงานอยู่จิตจะนิ่งไม่ได้ใชาจิตยังต้องสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ได้อย่างมากก็แค่เจริญสติได้สัมปะชัญญะคือได้สติที่ต่อเนื่องสามารถดึงใจให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆของร่างกายได้หรือสามารถดึงใจให้อยู่กับคำวบริกรรมพุทโธพุทโธ อย่างต่อเนื่องได้ก็ <Evet. S 1> ทำได้เท่านี้สำหรับการเจริญสติเวลาที่ยังมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่แต่จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้จนกว่าจะให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆให้นั่งนิ่งๆพอปล่อยให้ร่างกายนิ่งแล้วจิตก็ไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับร่างกายแล้วไม่ต้องควบคุมไม่ต้องคอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตก็พร้อมที่จะเข้าสู่สมาธิได้ ถ้ามีสติคอยกำกับคอยดึงใจดึงจิตไม่ให้คิดวุงแต่งให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานถ้าใช้กรำ บ, บริกรรมพุทโธก็สามารถใช้บริกรรมพุทโธต่อได้เลยถ้าใช้การดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็เปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออที่ปลายจมูก จุดที่ลมเข้าลมออกมาสัมผัสก็จะสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมออกก็จะมาสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าก็จะมาสัมผัสที่ปลายจมูกให้เฝ้าดูตรงจุดที่ลมมาสัมผัสกับร่างกายที่ปลายจมูกไม่จำเป็นที่จะต้องตามลมเข้าไปหรือตามลมออกมาเพราะการตามลมเข้าตามลมออกก็เป็นการทำงานของใจเหมือนกันใจต้อง วิ่งตามลมวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สามารถรวมเป็นสมาธิได้ถ้าดูลมก็ต้องดูที่จุดเดียวแล้วก็ถ้าใช้คำบริกา ร, รพุโทโธก็อยู่กับคำบริกา ร, รพุโทโธเพียงอย่างเดียวไปถ้าสามารถทำอย่างต่อเนื่องได้ไม่นานจิตก็จะสามารถรวมเข้าสู่สมาธิได้นี่แหละคือภารกิจ ของการเติมพเติมน้ามันต่างๆให้กับใจมันเป็นการเติมเป็นขั้นเป็นตอนขั้นต้นเราก็ต้องเติมด้วยศรัทธาก่อนเราต้องศึกษาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าคาสั่งคาสอนของพระอริยบุคคลทั้งหลายแล้วเราจะได้ความรู้รู้วิธีอุบายต่างๆในการที่จะผลักดันให้เรามีความเพียรขึ้นมามีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมา อเรามีความขยันหมั่นเพียรเราก็จะมีกําลังที่จะเจริญสติอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องพอเรามีสติที่ต่อเนื่องเราก็สามารถนั่งสมาธิทําใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอใจเข้าสู่ความสงบใจก็จะเกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติป ร, รังสุขขัง สุขอื่นที่เหนือกับความสงบไม่มีจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะพบกับอุเบกขาคือใจจะวางเฉยใจจะไม่ด้นลนไม่กัดแกว่งไม่มีความรักชังกลัวหลงอันนี้แหละคือพลังของใจพลังของจิตอยู่ที่การเข้าสู่สมาธินี่ เ, เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิบ่อย จิตก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นและจะมีกำลังในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิด้วยอุเบกขาและความสุขที่ได้จากสมาธิที่ได้สะสมไว้มันก็จะตามจิตออกมาจากสมาธิเมื่อจิตมีอุเบกขามีความสุขจิตก็จะไม่หิวกับราบยศสารเสริญสุขและเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกข้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบังคับให้ลาบยสะะสศสารสญสุขอยู่เป็นของตนไปได้ตลอดเวลาเพราไม่ช้าก็เร็วร่างกายที่มาเป็นเครื่องมือในการ ครอบคลองาะลาภยศสารเสวนสุขนี้ก็ต้องถึงแก่ความตายไปพอตายไปายะลาภยศสารเสริญสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะหมดไปใจที่ต้องสูญเสี ย, ายสะลาภยศสารเสวนสุขในเวลาที่จะตายนี้ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอันนี้คือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมทั้งหลาย ท, ที่ที่ใจถูกกิเลสเราให้ไปคิดว่าเป็นสุข เป็นสิ่งที่ควรที่จะปราถนาเป็นสิ่งที่ควรที่จะครอบครองไว้แต่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนอนัตตาไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจไม่สามารถเอาราบยศสารสรสุขติดตัวไปได้อันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นใจรักในสภาวะธรรมต่าง ที่ใจถูกกิเลสหลอกให้ไปยึดไปติดไปชอบไปรักไปอยากได้มาเป็นสมบัติมาครอบครองไว้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วใจที่มีความสุขจากความสงบของสมาธิก็จะสามารถละความอยากและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราใจสามารถอยู่ตามลําพังได้ จากความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี่นี่แหละทาไมเราถึงจะต้องมีสมาธิก่อนตอนที่เราจะไปทางปัญญาได้ถ้าเราใจไม่มีสมาธิใจเราเราจะหิวโหวยจะอยากกับรูปเสียงกิจลดจะอยากกับลาบยศสารเสริญต่อให้พิจารณายัางไงว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันก็ยังอยากอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงจิตใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแบบชั่วคราวมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงเลยแต่เวลาที่มันสูญเสียไปตอนนั้นน่มันถึงเวลาที่จะต้องทุกข์ทรมานใจตอนนั้นก็ไม่มีใครช่วยใ ค, ใครได้ก็ต้อง ท, ทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าทุกนั้นมันจะหมดกำลังของมันไปเท่านั้นเองอันนี้คือการเติมน้ามันของจิตใจห้าชนิดด้วยกันเพื่อที่จะสร้าง กำลังสร้างความรู้ความสามารถที่จะนำพาจิตใจให้ออกจากของทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้นำพาจิตใจไปสู่พระนิพพานได้ด้วยการเปลี่ยนอินรียห้าที่เรามีอยู่ในขณะนี้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่ยังมีไม่มากมีพอที่จะพักประคองให้ดำรง จิตใจให้อยู่ในสุขติได้คือไม่ทำบาปทำบุญอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไม่สามารถที่จะนาพาจิตใจให้สละความสุขทางโลกเพื่อออกไปหาความสุขทางธรรมได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเราก็จะเห็นว่าท่านก็เป็นเหมือนเราเมื่อก่อนท่านก็เป็นปูถุชน คนที่ยังติดอยู่ในราบยศสารเสนสุขอยู่แต่พอท่านเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของราบยศสารเสนสุขท่านเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายที่ต้องแก่เจ็บตายไปก็ทำให้ท่านนี้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความศรัทธาในการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของการดำเนินหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากราบยศสาเสนก็มุ่งไปหาความสุขจากการ ปฏิบัติทำขั้นต่างๆไพื่ให้เกิดความสงบเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างท้าวอนเมื่อเราได้ศึกษาประวัติของภูบาจารย์ต่างๆประวัติของพระเจ้าแล้วมันก็ทําให้เราอยากจะปฏิบัติตามเราก็จะสามารถเปลี่ยนอินทรีห้าให้มาเป็นพระห้าได้ตามลําดับต่อไปอย่างแน่นอนแล้วในที่สุดเราก็จะได้ร่วมเป็นสมาชิกของพระอริยบุคคลต่อไป นี่คือเรื่องราวของการมาเติมน้ำมันหรือเติมพลังให้กับจิตใจในวันธรรมะสวัสดิในวันฟังธรรมในวันปฏิบัติธรรมซึ่งก็พอสมควรแก่เวลาก็จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะเราจะมีการปฏิบัติธรรมต่อไปในลำดับต่อไปอีกประมาณสักสามสินาทีคือเราจะมาเจริญสตินั่งสมาธิ จเจริญสติเพื่อให้ใจสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบด้วยการนั่งเฉยๆระยะก่อนที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่ตื่นมาจนถึงบัดนี้เรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใจเราเลยไม่เคยนิ่งไม่เคยสงบไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงสักครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาพยายามมา นั่งสมาธิมาหยุดความคิดปรุงแต่งมาทําใจให้นิ่งให้สงบให้ตั้งอยู่ในสมาธิก็จะได้สัมผัสกับความสุขแม้จะไม่ได้เต็มร้อยก็ตามแต่การนั่งเฉยๆการที่สามารถควบคุมความคิดไม่ให้มาคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หรือคิดให้น้อยลงไปเราก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เบาขึ้นเย็นขึ้นที่สบายขึ้นความวุ่นวายความฟุง้งซ่านต่างๆก็จะรู้สึกน้อยลงไปตามลําดับ แล้วถ้าเรามันปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับความสงบที่สมบูรณ์ความนิ่งสงบของสมของของจิตของสมาธิแล้วเราก็จะเกิดความสุเกิดศรัทธาความเชื่อมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความเพียรเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับต่อไปองั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิมาควบคุมความคิดกัน อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนี้เราต้องการหยุดความคิดถ้าอยากจะได้สมาธิความนิ่งสงบของใจนี้อยู่ที่การหยุดความคิดถ้าใจคิดมันก็จะไม่นิ่งไม่สงบยึงต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจเราเรียกว่ากรรมฐานเช่นคาบริกรรมพุทธโธนี่ก็เรียกว่าพุทธานุสติให้มีสติแล้วเลกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าคือชื่อของพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทโธ หรือถ้าเราจะใช้ลมหายใจแล้วก็เรียกว่าอาณาปานาสติให้มีสติแล้วเล็กรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอาณาปานาแปลว่าลมเข้าลมออกให้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือบางท่านจะผสมเอาทั้งสองอย่างด้วยกันก็ได้บางท่านก็ใช้พุทธเข้าโทออกหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้แต่ประเด็นสําคัญก็คือต้องอยู่กับกรรมฐานอย่าทิ้งกรรมฐานไปในขณะที่นั่งสมาธิ ถ้าเราอยากจะให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ถ้ามีอะไรมาแทรกก็อย่าไปสนใจมีความคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงมีอะไรมาเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวแล้วอาการต่างๆที่แทรกเข้ามาก็จะค่อยๆหายไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเท่านั้นเอง แล้วเราก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้ดต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสักยีสห้าบ2กนาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าก็มานั่งต่อด้วยวิธีนี้จิตก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่อย่าไปอยากนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะว่าความอยากไม่ได้ทำให้มันสงบต้องวิธีที่เรานั่งที่ถูกต้องเช่น ว, วันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยมีกำลังไม่มากก็ควรจะหมั่นเจริญสติในระหว่างวันให้เพิ่มมากขึ้น เราสามารถจเจริญสติได้หน้แต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาิกปุรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะราโสยธามณนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโววินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ268ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ297ท่านทาง y youtube ดรว42ท่านทางวิทยุออนไลน์7ท่านทางขับเฮาส6ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ120ท่านรวมทั้งหมด740ท่านครับ อดี sociedad, ๋ยวมีอะไรเดียวถามนันจากกันจากจะถามกันถามมั้ยถามมัเดี๋ยวจะเอาไมโครโฟนมาให้ขอโอกาสอาจารย์ครับผมพิสุนี้องนี้อยากถามว่าเวลาเขานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบางที่ก็เห็นอยู่แสงสว่าง โยโยทิตาและบางที่ก็หินแสงสว่างอยู่ที่จิตใจเขาอยากรู้ว่าทั้งสองอย่างเป็นต่างกันอะไรบ้างนะครับผมมันเป็นผลจากการที่เราไม่มีสติเวลานั่งต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ<ส>และอยู่กับล<ส>มหามยใจอย่างนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวจิตมันจะสร้างสิ่งเหล่า น, นี้ขึ้นมาเองนะมันไม่มีความหมายอะไรไม่สําคัญไม่ต้องไปสนใจ นั่งสมาธิให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออก อ, อยนั่งเฉยเฉเดี๋วยวมันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาพีสูนนี้องนี้ปัญหาคื อ, อ, อหนังบีที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าสมาธิจะเริ่อช้าเกินไป เขาไม่ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่กรรมฐานหรืออยู่ที่เขาตรงทำอย่างไงนะครับผมคือนั่งสมาธิแล้วม่ยังไม่ได้ผลใช่ไหมอ่าแต่ผลรู้สึกช้าเกินไปรู้สึกช้าไม่จะเลื่อนเท่าไหร่ไม่จะเลื่อเท่าไหร่อครับผมเพราะสะติน้อยผไง่ยงต้องฝึกสติให้มากขึ้น ก, ก่อนที่จะมานั่งตัวชน่ทำทั้งวันเลยพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดหยุดความคิดให้ได้ ทำอะไรก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทำอยู่พี่สุนิอ่องนี้อยากถามว่าสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับเพื่อนว่าเป็นธรรมนุปัสนากรรมฐานหลือเปล่ากับของเขาเขาไม่แน่ใจนะครับผมคือโดยปกติก็ จัเหมาะกับทุกคนก็คือพุทโธพุทโธแื้วดูลมหายใจเข้าออกจะเปลี่ยนกรรมฐานก็ต่อเมื่อมีปัญหาเช่นถ้ามีการมราคะเนี่ยก็ต้องใช้อสุภะเข้ามาถ้ามีความโกรธก็ใช้เมตตาภาวนาถ้าวามโใชเตตวกรเต่าวกรกเมตตถ้าีคมใ้เมาวมีคากร็มน้วรใช้เมาว้โกธ็ใช้พุตวโกธใช้วโกใช้ร ดูลมหายใจไปข้อสําคัญก็คือสตินะสติต้องมีทั้งวันฝึกสติทั้งวันให้ได้เขาว่าเวลาเขาว่า้านั่งสมาธินั่งนั่นๆให้พิจารณาร่างกายแล้วพิจารณาลมหายใจอย่างนี้เป็นปกติอยู่นะครับผมคือเวลานั่งสมาธิไม่ให้พิจารณาอะไรให้เพ่งเฉยๆให้ดูเฉยๆ ดูลมเฉยๆต้องการหยุดความคิดถ้าไปคิดพิจารณามันจะไม่รวมถ้าจะคิดนี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาคิดพิจารณาได้เวลาทําสมาธิต้องการหยุดคิดต้องการให้ใจนิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา เออพิเศษในองคอนี้เมื่อก่อนเขาว่าเขาใช้กรรมฐานเป็นอานาปันสติเขากลัวว่าเป็นเพ่งเกินไปจริงในช่วงนี้เขาก็เลิกไม่เคยใช้เท่าไร่ฮะว่าเขาโก้ใช้ต่อไปอย่างนี้ได้หรเปล่านะครับผมได้ยิ่งเพ่งยิ่งดีไม่ต้องกลัวยิ่งเพ่งจิตจะยิ่งสงบนะที่ไม่สงบเพราะไม่เพ่ง ดูลมปั๊บแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้มันก็ไม่สงบต้องเพ่งอยู่อยู่กับลมอย่างเดียวหมดเรือยังคนนี้นถามว่าเวลาตือนยุกลมกตีหรือนั่งสมาธิกตีเขาก็เพ่งกรรมาฐานอยู่แต่เขาไม่รู้สึกว่ามีความถูกมีความสุข ไม่บรรลสุกว่ามีปิติมีความสุขอย่างนี้ต้องทำอย่างไรนะครับผมก็ยังนั่งไม่ได้นานทําไม่ได้นานจต้องทำนานๆทำมากๆเหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำปั๊บเดียวก็อยากจะให้เกิดผลขึ้นมาเลยว่าจะอยาจะนั่งนั่งเป็นชั่วโมงกว่าจะเกิดผลขึ้นมาเดินเป็นชั่วโมงดูสิ นักสองสามชั่วโมงได้นั่งนิดเดียวกินข้าวสองคำแล้วให้มันอิ่มมันไม่อิ่มปฏิบัติยังน้อยไปผลเรายังไม่เกิด <Okay. S 1> ทางนี้ทางนี้ครับมาส ก, การครับ เ, เดือนครับครับ เ, เดือนที่แล้วมาถาม อาจารย์บอกให้อยู่กับกายแล้วก็มีอะไรรู้สึกอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจครับตอนนี้ก็อ ย, อยู่อยู่กับกายเป็นหลักครับแล้วนั่งก็ลมหายใจยท้องพองยุบถ้าระหว่างวันก็ดูการเคลื่อนไหวตัวโยกหรือเดินเคลื่อนไหวครับแล้วก็ถ้ามีความสงบความสุขความสบายความเงียบก็ก็อยู่กับตรงนั้นเป็นหลักครับ ถ้าไม่ไม่สงบไม่มาก็อยู่กับกายครับแล้วก็เอเวทนาปวดเมื่อยอะไรไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่มาทางใจอ่ะบางทีก็เบื่อบ้างเนี่ยพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยเบื่อกลัวอะครับก็ก็กจะคอยน้อมกลับมาที่ ท, ที่ที่กายที่หรือที่ความสงบเป็นหลักครับบางทีมันก็ก็คือจะถ้ามีอารมณ์พวกนี้ก็จะดูว่า เอามีเบื่อมาละนะเราก็บางทีมันก็จะหายไปเองเรวก็กลับมาที่กายมากามาที่ฐานมาที่ความสงบธรรมีครับก็ประมาณประมาณอย่างนี้ถูกไหมครับตอนนี้ถูกต้องนะครับคื อ, อไปอย้ายมีสติแล้วอารมณ์ต่างๆจะไม่ค่อยเกิดละละละเวลาเราเผลอสติปล่อยให้คิดปั๊บเนี่ยก็อากา ร, ค, รความรู้สึกเบื่อหน่ายหรืออะไรก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้อ๋อครับครับแล้วก็เออ ไอ้ที่ความสงบความนิ่งเนี่ยบางทีมันก็มันก็ไม่มีความคิดหรือถ้ามันมีความคิดก็จะสะเทือนหลุดออกมาครับแต่บางทีมันก็มีความสุขไปด้วยมันก็คิดไปด้วยไปด้วยกันทังคู่เราต้องเอาเอแบบไหนครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการให้มันนิ่งหรือให้มันเกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาแล้วก็พิจารณาตายรักพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย ร่างกายไม่สวยงามพิจารณาการสามสิบสองไปก็จะได้ปัญญาท่านจะคิดต้องคิดไปในทางปัญญาอย่าไปคิดแบบสเปสปะด้วยเปื่อยอคิดไปทางปัญญาคิดไปในทางไตรลักครับทุกอย่างไม่เที่ยงราบยศสรรเสริญสุขก็ไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดานีเกิดแล้วก็มีดับพิจารณาให้ปล่อยวางครับครับมันจะเห็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยมัน ดับไปบ่อยๆครับก็ดีถ้ามีอารมณ์ดับก็ดีท่นใจครวามรู้สึกความอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาแล้วก็ดับเันต้องการดับอารมณ์ต่างๆให้ใจว่างเหมือนท้องฟ้าไม่มีเมฆอย่างเงี้ยต้องการให้ใจว่างไม่มีอารมณ์ต่างๆว่าวุ่นขุนมัวปรากฏกันนะครับไอตัวที่ว่างๆไม่มีความคิดตัวนี้เป็นเป็นอัปปนาหรือยังครับหรือหรือวิก็ไม่ต้องไปถามมันหรอกให้มัน สบายใจกัแล้วสบายใจก็พอมันสบายมันมีหลายระดับด้วยกันพูดไปเดียวมันก็จะมานั่งปรุงแต่งไปคิดไปอีกใครรู้ว่าถ้ามันว่างมากมันก็สุขมากเย็นมากสบายมากับคือคือเหมือนบางวันเนี่ยมันก็อยากสงบมันก็ถึงจะไม่สงบมากมันก็จอดจ่ออยู่จะสงบแต่บางวันก็เหมือนมันมันน้อมมาที่ความสงบมันก็ไม่ค่อยสงบมันก็จะไปดูความรู้สึก เกิดเกิดับดับอยู่อ๋อถ้ามันจะให้มันสงบต้องมีอะไรผูกใจไว้ต้องดูลมนุสพุทโธไปมันถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ครับครับครับใช้ใจความสุขความสงบความนิ่งก็ได้ใช่ไหมครับเดดูดูดถ้าจิตสงบก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าจิตมีความสุขก็ไม่ต้องทำอะไ ร, ะรให้มันอยู่กับความสุขความสงบนั้นไปนานๆครับครับเพราะมีอยากรูงสึก ช่วงหลังๆนี้รู้สึกอารมณ์เนี่ยจระหว่างวันเนี่ยบางทีมันไปเร็วครับแต่ก่อนเหมือนกับว่าเราจะจะโมโหเลยจะทํานิ่งๆไว้ก่อนแต่เหมือว่าเวลาบุดหงิดแล้วขับรถเลยผมกินมันมันพุ่งปืดเลยปากมันพูดไปก่อนเลยแต่มันก็แต่มันก็หายเร็วครับรู้สึกอารมณ์มันมันมันพุ่งเร็วกว่าก่อนสิครับเพราะเราไม่มีสติไงเราเราปล่อยมัน เราต้องมีสติควบคุมใจตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิอย่างเดียวครัพออยากสมาธิมาก็ต้องคุมต่อไปอพอถ้าไม่คุมมันมันถูกกดไว้นานๆมันก็จะพุ่งมาแรงอูอแรงเลยถ้าเรามีถ้าเรามีสติคอยคุมอยู่มันก็จะหยุดพอมันจะพุ่งออกมาเราก็หยุดมันได้อ้โอ้ครับครับคโอเคโอเคมีใครอยากจะถามเราเช่น นมส ก, การท่านอาจารย์ค่ะโยมโยมยมาจากเชียงใหม่พอดีติดตามพระอาจารย์อยูอ่อาจจะมีคำถามแปลกๆในวันนี้คือลูกชายฝากถามว่าจะ ก, การลูกยังไงไม่ให้ผีเข้าแต่มันไม่ใช่ผีมันเป็นเทวดา <Okay. S 1> มไม่มีหรอกมันเป็นจิตปรุงแต่งไป ที่เข้าคนไม่ได้ที่เข้าจิตไม่ได้ขเขาบอกว่าหมูดที่มองไม่เห็นทําให้เราหรือทําให้เราไม่มีความสุขในทางโลกแบบความสุขทางโลกมันหายไ ป, ไไปนาย ไ, ไปนายไปเพราะทําอาชีพอะไรบางทีมันก็นึกถึงเงินงานก็มนไม่มีแรงผุดแต่ก่อนมันเบามันเบามากที่มันไม่มีแรงเพราะมันไม่ได้ผลนะสิ ถ้ามันรวยมันก็มีแรงเองที่มันไม่มีมันไม่รวยมันก็จะไม่มีแรงถ้าอยากจะไปทางโลกก็ต้องขยันหาเงินแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรแน่นอนบางคนหาแทาบเป็นแทบตายก็ก็ไม่รวยก็มีมันมีวิธีทางไหนพอจะแก้ไขไหมคะก็มักน้อยสันโดษเนี่ยินดีตามมีตามเกิดใช้น้อยๆกินน้อยๆแล้วใจก็จะได้มีความสุขเพราะว่าไม่ต้องดิ้นรนหามาก ถ้าต้องการมากๆนี่มันก็ต้องดิ้นลนหามากพอดิ้นรนหามากมันก็เหนื่อยแล้วถ้าไม่ได้มันก็ยิ่งทำให้เบื่อหน่ายขึ้นมากขึ้นด้วยพูะเจา้าสอนให้เราอยู่แบบมั่งน้อยสันโดษพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วเราจะมีความสุขตามอัตภาพหมดแล้วยังหมดแล้วนะเขาอยาก<ช>ผ่านอาจารย์ผ่านโทรศัพท์ อยากถามท่านพระอาจารย์ผ่านทางโทรศัพท์ค่ะเอาเลยพูดมาเลยเปิดเสียงเปิดลำโพงเปิดลำโพงไม่เป็นนะลำโพงสเปกเตอร์ให้เขาพูดได้เลยตลบอาเชิหนึ่งอ คืออ ย, ยากจะรบ ก, กวนเรียนถามว่าพอดีพอพออยู่ในทางโลกแล้วปฏิบัติไปทําไปนั้นมันเกิดก็รู้สึกว่าความสูงในโลกมันจางๆลงไปแล้วแต่เพราะว่าพอเราไปนึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องอาชีพทำเรื่องพวกนี้ความสูงมันไม่เต็มเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันอยู่ในโลกยากมันจะทำงไงดีเนี่ยอีกกรณีหนึ่งคือบาทีแล้วนั่งอยู่เฉยๆพอเราไปรับรู้สิ่งที่มันมองไม่เห็นเราเนี่ย แล้วอยู่ๆมันก็เข้ามา p u s ทําให้เรารู้สึกว่าต้องไปทําสิ่งโ่้นสิ่งนี้บางทีมันมันมันไปกั้นไปขวางมันไม่ทันนอะหมายว่าสติมันตามมันไม่ทันมันมาตามทันทีหลังเนอะก็จะไปทํำไงให้มันมันไปประหารตามทางตอนนั้นเนะก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นแต่ว่าผมไม่ด้ยินนะครับมันเสียมันกล้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าต้องเจริญสติให้มากขึ้น ได้ยินไหมรครับ<า>นัการดครับอ่าลำบากหน่อยได้ยินมามฮะน่าน่าจะต้องรบกวนคุณพ่ออาจเสียงคำตอบท่านไว้ครับเพราะว่ามันจะกล้องบางครับครับงั้นเดี๋ยวไปย้อนฟังได้รับฟังได้ถ้าเราไม่มีสติใจมันก็จะฟุ้งซ่านมีคาถามอีกอมั้ยมีคาถาม อ, าอืม่นแต่ว่าแต่ว่าที่ชั้นชที่ปัญหามันหนักขึ้น พยายามและพยายามพยายามจะกำมาฐานสี่สิบคลองไปอสุพะกำมะถันก่อนแล้วมันก็ยังประกอบร่างคืนมาเป็นฝ่อสวยงามได้อยู่พยายามแบบนิจจังทุกขังหน้าตาก่อแล้วผอสุดท้ายมันก็ยังนิจจังได้อยู่แล้วก็พยายามไปฝึกรรมะาันตัวอื่นมันต้องยังมีปัญหาอยู่ ว, ว่าว่ามันต่อสู้กับตัวนี้ไม่ไห ว, ไวอยู่มันพอดีมันโผล่เข้ามามันก็จะเอาเรื่องอะไรเงี้ย ในด้าหลักการคืออันหน่งคือสมัยก่อนพอเรามีเรืเ่ชงเครียดฟังคําตอบก่อนนะครับฟังคําตอบก่อนครับเราขาดสมาธินั่นเองอต้องฝึกสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปทางปัญญาไม่ได้ยิน <Okay S 1> ช่วยพูดแทนหน่อยหลวงพ่อบอกว่าต้องไปทําสมาธิก่อนอปัญญายังญญใช้ไม่ได้ไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลส ป, ปัญญาสมาธิเรายังไม่พอที่จะ ช่วยกิเลกได้ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอปปนาสมาธิให้ได้ก่อนต้องนสมาธิฝึกสติให้ได้ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนานุกติถามเข้ามาว่าหลวงพ่อเคยเมตตาตอบคำถามว่า ทานกับศีลให้ผลคนละแบบกันคําถามคือในบทสวดที่ในบทสวดให้พรที่ว่าศีเลนะโภคัสัมปาทาทําไมถึงฟังดูเหมือนได้ผลเดียวกับการให้ทานเลยครับหรือจริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นได้ครับขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยครับคือคนที่ซื่อสัตสจริตธรรมะกินโดยซื่อสัตสุจริตทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็จะปลอดภัย ถ้าได้มาโดยทุจริตก็อาจจะถูกเขาจับไปยึดท ร, รัพย์ได้โกค้าสามพธาท่านหมายโดยอย่างนั้นหมายว่าถ้าเรามีศีนแล้วทรัพย์สมบัติที่เราหามานี่มันก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเราไปช่อกงมานี่มันดีคืนดีเราก็อาจจะถูกเขาจับยึดท ร, รัพย์ไปติดคุกติดตารางได้ท้าค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กน้อมกราดแทนพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า ในการถวายสิ่งของต่างๆให้กับวัดจําเป็นต้องกล่าวคําถวายสิ่งของหรือไม่กล่าวคําถวายเลยอานิสงส์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรท่านพระอาจารย์ชีแนวด้วยครับคือเวลาจะให้ของวัดก็ต้องบอกผู้ใดผู้หนึ่งจเจ้าอาวาสก็ได้หรือใครก็ได้ให้เขารู้ว่าเราต้องการที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับวัดอาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําพิธีว่ากล่าวตั้งนโมอะไรอย่างนั้นนั่นเป็นพิธีกรรม แต่อย่างน้อยก็ต้องบอกให้ผู้รับเขารู้ว่านี่คือของของเราแล้วเราอยากจะมอบให้กับวัดไปพอเขารับทราบก็จบให้เข้าไปเจ้าค่ะจาก from Facebook เจ้าค่ะกระดาเรียนพระอาจารย์จิตสั่งให้ร่างกายเดินไปมาไม่ยอมหยุดครับต้องนั่งสมาธิถึงหยุดเดินได้สติก็เอาไม่อยู่ครับน่าจะเป็นที่อะไรครับผมผมเป็นไบโพล่าหมอให้กินยาคลายกังวลเพิ่มครับ สติเรายังน้อยยังหยุดควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ได้ต้องพยายามมันจเจริญสติบ่อยๆมากๆพุโทโธให้มากพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเจ้าค่จา Facebook, าา ะ, าะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะน้อมกระดาษพระอาจารย์เจ้าค่ะสอบถามเรื่องการถือศีลแปดที่บ้านหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วตอนบ่ายอ่านหนังสือธรรมะแต่นั่งอ่านบนโซฟาจะปิดศีลใหม่เจ้าค่ะ แต่ผิดศีหรือไม่ก็โดยมารยาทเวลาที่เรานั่งฟังธรรมเราก็ต้องฟังแบบในท่าที่เคารพนั่งพับเพียบหรืออะไรไม่ใช่นั่งเอ้เอกนะก็ไม่ผิดสีนะ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรมันไม่แสดงความเคารพต่อธรรมเวลาฟังธรรมเราต้องอยู่ในริยาบทที่แสดงความสำรวมมีอาการเคารพ เจ้าค่ะจากอินบ็อกช่าค่ะกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับระหว่างที่ผมนั่งสมาธิได้ทําการเจริญสติพิจารณาร่างกายให้แล้จากการยึดติดให้เห็นถึงความไม่สวยงามนอกจากพิจารณาอาการทั้ง5ที่อยู่ในที่อยู่ภายนอกร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังของตัวเองแล้วยังมีอาการซ่อนเร้นที่อยู่ใต้ผิวหนังคือเนื้อเอ็นกระดูก อวัยวะต่างๆที่ต้องพิจารณาทีาท่ต้องมองทะลุเข้าไปดูด้วยปัญญาตามคําสอนหมายถึงต้องกําหนดพิจารณาตามจินตนาการเองใช่ไหมครับถึงความไม่สวยไม่งามของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายกราบไม่ตาพระอาจารย์ครับก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงเราก็ต้องดูภาพดูภาพอวัยวะต่าง cession, ๆแล้วเรามาจดจําไว้ในใจเรา เวลาที่เราเห็นร่างกายของใครเราก็จะได้นึกถึงอวัยวะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภายใต้ผิวหนังภายใต้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปหลงรักไปหลงชอบเขาเชาค่ะจากอินบ็อกช่ะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหนูนอนรับตื่นตอนตีสองเนื่องจากเครียดเรื่องงานมากตื่นมาคิดเรื่องงานแล้วก็หลับต่ออีกรอบแล้วก็ฝันถึงยายว่ายายยืนหันข้างแล้วพูดว่า ไม่รู้จะมีโอกาสลงมาทำบุญอีกเมื่อไรแล้วภาพก็ตัดไม่ได้ฝันอะไรต่อยายตายไปห้าสิบกว่าวันแล้วค่ะอันนี้คือยายลงมาหาหนูจริงๆหรือแค่ความฝันจิตนิวรณคะก็ไม่แน่เราต้องพิสูจน์ดู เ, เอต้องว่าเป็นความฝันของเราหรือว่าเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงเราก็ต้องคุยกับยายได้ถามยายจะมาเมื่อไรเรื่อยเตรียมต้อนรับ ใ้าค่ะคำถามที่สองหนูเป็นคนที่ไม่เคยเห็นผีเลยสักครั้งค่ะแปลว่าหนูมีบาปมากกว่าบุญหรือเปล่าคะไม่เคยเลยเนะไม่เคยเห็นผีเลยไม่เคยเห็นผีก็เดีกๆคนที่ไม่เห็นผีก็เป็นคนที่มีบุญใช่ค่ะจากอินบ็อกซ์ใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงที่เรารักและผูกพันในชาตินี้หากเขาจากไปแล้วจะมีโอกาสมาเกิดเป็นลูกเราไหมคะ ไม่แน่นอนบางทีก็จะเจอกันก็ได้บางทีก็ไม่เจอกันก็ได้เจ้าค่ะจาก YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณแนทสมิทธ์ผมเริ่มฝึกปฏิบัติภาวนามาได้ประมาณหนึ่งปีครับจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างเคยจิตรวมได้ครั้งหนึ่งปฏิบัติมาเรื่อยๆครับ สวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลห้าแต่ระยะหลังเกิดความท้อเนื่องจากรู้สึกว่าการภาวนาไม่พัฒนาขึ้นเลยคิดว่าเกิดจากกิเลส ท, ที่อยากจะให้จิตสงบช่วงที่ท้อกิเลสก็มารุมร้าททำให้ขาดสติและผิดศีลพอรู้สึกตัวก็แก้ไขกลับมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาต่อเพื่อฝึกตนให้มีสติแต่เหมือนกลับมาเริ่มใหม่แบบติดลบครับ จิตไม่มีสมาธิง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างจากที่เคยนั่งได้ดีกว่านี้ครับกราบรบกวนขอคาแนะนำครับพระอาจารย์ก็ต้องความใช้ความเพียรพยายามเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นใจเยน็เยนๆอย่าเพิ่งไปอยากให้มันได้ผลทันทีทันใดอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ถ้าเราเพียรพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วผลก็จะเกิดขึ้นมาอีก เช้หาห่จากยูทูปพระอาจารย์เช้าค่คุณโจ้กราบนมัสการพระอาจารย์ขอกราบสอบถามผู้ที่มีปัญหาชีวิตรุมเร้าเรื่องการเงินที่แย่ชีวิตครอบครัวที่มีปัญหาและปัญหาสุขภาพจะต้องวางจิตอย่างไรในสภาพเช่นนี้ขอกราบพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับวางเฉยเลยช่างมันอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเมื่อเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไป มองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้ า, เร า, เ, ราเรารู้จักทําใจให้วางเฉยให้ได้ถ้าใจไม่เฉยก็ต้องใช้สติช่วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ดีอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือรักษาใจเราให้สงบแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ชาวาจากทาง YouTube พระอาจารย์ค่ะถามเข้ามาว่ากราบนักบการพระอาจารย์สุชาติค่ะเคยอ่านเจอว่าหลวงปู่มั่นให้หาจริตตัวเองให้เจอก่อนฝึกสมาธิตัวหนูคือโมหจริตไปหาข้อมูลอีกว่าต้องนั่งแบบกระสินเพ่งสีขาวแต่หนูเองเคยบวชชีมาพระอาจารย์สอนให้นั่งแบบพุทโธมาตลอดเลยอยากถามว่า ควรนั่งแบบพุโทโธไปก่อนหรือต้องนั่งแบบกสินเพื่อตัดกิเลส ต, ตัวโมหะคะหรือควรนั่งแบบพุทโธต่อไปก่อนดีคะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะขอบพระคุณคะ่ะก็ลองดูสิอย่างไนใช้ได้ก็ใช้อย่างนั้นไปคำถามสุดท้ายเลยนะจ๊ะค่ะจากยูทูปพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าเวลาพระธรรมข้อวัดทาความสะอาดศนาอาสนะ มีโอกาสทำให้แมลงและมดตายได้เช่นเวลาลดนำต้นไม้แบบนี้บาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปโอเคนะเจะค่ะเวลาก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอสาธุ